แสงามท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองมกราคองพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรรมวัวนะวันฝังธรรมเป็นวันพระแรกของปี พุทธศักราช 2,559 ยาติโยมจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อจะมาเริ่มต้นปีใหม่ชีวิตใหม่ให้ดีกว่าปีเก่าชีวิตเก่าด้วยการกระทำสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเก่าเช่นถ้าเคยสู่บุรี่ปีนี้ก็จะ เลิกสู่บุรีถ้าเคยเล่นการพนันปีนี้ก็จะเลิกเล่นการพนันเคยเดื่มเหล้าดด่มสุราก็จะเลิกดื่มสุราเคยเที่ยวกลางคืนก็จะเลิกเที่ยวกลางคืนเคยเที่ยวดูของแล้เล่นมหรสพบันเทิงต่างๆก็จะเลิกเล่นเลิกเที่ยวใป ดูมหะสบและบันเทิงต่างๆถ้ามีความเกียจคร้านก็จะเลิกเกียจคร้านจะมามีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานต่างๆที่มีคุณมีประโยชน์ถ้าเคยพบเพื่อนไม่ดีเป็นมิตรก็เลิกคบเพื่อนไม่ดีเป็นอย่างไร เพื่อนที่ชอบดื่มสุราเล่นการประนเที่ยวเตะเที่ยวกังคือมีความเกียดค้านไม่ทำมาหากินไม่ทำงานทำการเพื่อนแบบนี้เรียกว่าเพื่อนไม่ดีไม่ควรที่จะคบค้าสมาคมด้วยและถ้าอยากจะทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่านี้ ก็คือต้องเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลิกรักทรัพย์เลิ ก, ล ก, เลกชอบโกเลิกประพฤผิดประเวณีเลิกพูดปดมดเทศเสโกหกหลอกลวมการกระทำตั้งหลายเหล่านี้เป็นการกระทำที่นำไปสู่ความเสื่อมพาไปสู่ความทุกข์ถ้าเลิกได้ความเสื่อมก็จะไม่มีความทุกข์ก็จะไม่มี ความสุขความเจริญความทุกข์ความเสือ่อมอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทําของเราไม่มีใครสามารถทำให้เราสุขให้เจริญทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสื่อมได้มีการกระทําของเราคือทางกายทางวาจาและทางใจนิสที่จะเป็นผู้ กำหนดชะตาชีวิตของพวกเราให้ขึ้นสูงหรือลงต่ำพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราเลิกกระทบาบาปที่จะดึงชีวิตเราให้ตกต่ำแล้วให้ทำบุญเพื่อจะได้ปรับดันชีวิตของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับการที่เราจะทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เราจะต้อง ให้คำมั่นสัญญากับตัวเราเองเรียกว่าอธิษฐานเราต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าปีนี้เราจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเราจะไม่ทำบาปเราจะไม่เสพอ บ, บายามุขเราจะทำบุญทำแต่ความดีเราจะพยายามชำระใจของเราให้สาด กำจัดความโลภความโกิดความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าเราไม่ได้ใต้คำ ม, มั่นสัญญาไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเราก็จะลืมไปพอมีอารมณ์อยากจะทำอะไรก็จะทำไปอยากจะดื่มสุราก็จะดื่มอยากจะเล่นการพ น, นัน <c oughs> ก็จะเล่น อยากจะทําบาปก็จะทําบาปเพราะเราไม่ได้ตั้งสัจจะตั้งเป้าหมายของการกระทําของเราว่าเราจะไม่ทําอะไรบ้างแต่ถ้าเราตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะไม่สูบบุหรีเราจะไม่ดื่มสุรายาเมาเราจะไม่เที่ยวกลางคืนเราจะไม่เล่นการพ น, นัน เราจะไม่ทําบาปต่างๆพอเราให้คํามั่นสัญญากับตัวเราแล้ ว, ลวเราก็จะได้มีความระมัดระวังคอยเฝ้าสังเกตดูว่าเรากําลังทําตามคําพูดของเราหรือไม่ถ้าเราอยากจะรักษาคําพูดของเราคํามั่นสัญญาที่เราให้กับตัวเราเราก็ต้อง มีสัจจะคือต้องเป็นคนซื่อตรงไม่คดเบียวไม่โกหกหลอกลวงนั่นเองเราตั้งใจสัญญาตับตัวเราว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเราก็ต้องรักษาคำมั่นสัญญานั้นถ้าเรามีสัจจะมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองเราก็จะสามารถ ทำตามที่เราให้คำมั่นสัญญากับตัวเราเองได้นี่คือสิ่งที่เราต้องมีถ้าเราอยากจะดึงชีวิตของเราให้ไปในทางที่ดีไปในทางที่สุขที่เจริญถ้าเราไม่มีกรอบบังคับเอาไว้เช่นคำทาให้คำมั่นสัญญากับความซื่อสัตย์กับตัวเราเองชีวิตของเราก็จะไปแบบสเปะสปะ ไปแบบไม่มีทิศไม่มีทางไปตามอารมณ์ไปตามยถากรรมเวลาใดคิดอยากจะทำอะไรก็จะทาอยากจะสู่บรีก็จะสู่อยากจะดื่มสุราก็จะดื่มอยากจะเล่นการพนันก็จะเล่นอยากจะเที่ยวก็จะเที่ยวอยากจะทำบาปก็จะทำบา แต่ถ้าเราตั้งกรอบไว้ว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำพอถึงเวลาที่อยากจะทำเราจะได้มีคำมั่นสัญญานี้มาคอยเตือนใจเราว่าเราสัญญาไว้แล้วว่าปีนี้เราจะไม่ทำบาปเราจะไม่เสพอบายามุขเราเป็นคนจริงใจหรือเป็นคนโกโหกหลอกลวงถ้าเราเป็นคน จิงใจคนซื่อสัตย์เราก็ต้องรักษาคำมั่นสัญญาของเราถ้าเราเป็นคนปิ็นป้อนโกโหกหลอกลวงเราก็ไม่ต้องรักษาเราอยากจะเป็นคนแบบไห น, นเป็นคนซื่อสัตย์หรือจะเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เราต้องใช้มาตรการแบบนี้เราถึงจะสามารถควบคุมบังคับตัวของเรา ให้ไปสู่ทางที่ดีได้อย่างพระที่มาบวชนี้ท่านก็มีมาตรการควบคุมบังคับคือท่านมีสิ่ง227ข้อเวลาบวชนี้ก็ให้คำ ม, มั่นสัญญากับพระอุปชาให้กับคณะสงฆ์ว่าข้าพเจ้าจะรักษาสีลทั้ง227ข้อให้สะอาดบริสุทธิ์ ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถรักษาไดา้ข้าพเจ้าก็ขอลาสิขาไปอันนี้คนเราเป็นเหมือนปูนซีเมนต์ใจของพวกเราตอนนี้เหมือนปูนเปียกปูนที่ยังไม่แข็งตัวถ้าเราต้องการให้ปูนแข็งตัวเราต้องมีแบบเทใส่เข้าไปเช่นอยากจะให้ปูนเป็นต้นเสารเราก็ต้องมีเบมีแบบ แบบต้นเสาพอเราเทปูน ล, ลงไปในแบบทิ้งไว้สักระยะหนึ่งพอปูนแห้งปูนก็จะกลายเป็นต้นเสาขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีแบบเราเทปูนเปียกลงไปกับพื้นมันก็ไหลละเนรานาดไปไม่เป็นอะไรไม่สามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้ใจของพวกเราตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนปูนเปียกอยู่ ยังไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวยังไม่สามารถที่จะสร้างความเจริญสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายสร้างกันได้ชีวิตของเรายังล้มลุกคุกคานและเห่เล่ล่อนไปกับการเกิดแก่เจ็บตายไปกับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรา ใช้มาตรการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งใช้แล้วนำเอามาปฏิบัติกับชีวิตของเราทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเดี๋ยวต่อไปชีวิตของเราก็จะจะินขึ้นไปตามลำดับจนถึงจุดสูงสุดจุดที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันคือจุดของการสิ้นสุด ของการเวียนว่ายตายเกิดจุดที่สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงและพวกเราทุกคนสามารถไปถึงจุดนั้นได้ถ้าพวกเราให้คำมั่นสัญญากับตัวของพวกเราว่าเราจะเดินไปในทางนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เดินอย่างไรเราจะเดินไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน การที่จะไปทางนี้ได้เนั้นการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจของเราจะต้องเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำคือไม่กระทำบาปทั้งปวงไม่เสพสุราและอบายอมุกต่างๆและทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมและชำระใจให้สะอาด กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่คอยฉุด拉ให้ใจของเราลงต่ําให้ใจเราไปเสพอบายามุขให้ใจของเราไปทําบาปทํากรรมเราต้องสร้างบุญกุศลมาต้านความอยากเหล่านี้บุญกุศลที่เราต้องสร้างก็คือการเสียสละ การแบ่งปันเวลาเราอยากที่จะไปเที่ยวเราเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้มาทำมาทาบุญดีกว่ามาทำประโยชน์มาช่วยเหลือผู้ไปเที่ยวนี้ก็เหมือนกับเอาเงินไปทิ้งทะเลดีๆนี่เองไม่ได้ประโยชน์อะไรหลังจากกลับมาจากการไปเที่ยวนี้ไม่มีอะไรหลงเหลือติดมากับใจเลย เหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวความอยากที่จะออกไปเที่ยวไห่ความอิ่มความพอนี้จะไม่มีถ้าเราทำตามความอยากวิธีที่จะทำให้ใจของเราเกิดความอิ่มเกิดความพอเกิดความสุขก็คือเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากต่างๆนี้มาทำบุญให้ทานจะทำที่ไหนก็ได้ ทำที่วัดก็ได้ทำที่โรงเรียนก็ได้ทำที่โรงพยาบาลก็ได้ทำที่บ้านคนชจลาทำที่บ้านเด็กพิการก็ได้ขอให้เราเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากนี้มาช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเราจะได้ความสุขใจความอิ่มใจความพอใจหลังจากที่เราได้ทำแล้ว ความอยากที่จะไปเที่ยวก็จะอ่อนกำลังลงไปทุกครั้งที่เราอยากจะไปเที่ยวเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทำบุญทำอย่างนี้ต่อไปความอยากเที่ยวมันจะหายไปแล้วเราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้เวลาอยู่เวลาต้องอยู่บ้านเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สามารถออกไปเที่ยวข้างนอกได้เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเราจะไม่รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว่าเหวเพราะเราไม่มีความอยากเที่ยวความเศร้าสอยความเศร้าส้อยหงอยเหงาว่าเวนี้เก ER ิดจากการอยากออกไปเที่ยวอยากจะไปเจอคนอยากจะไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นสิ่งนั้นสินน่งนี้ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ พอไม่ได้ออกไปก็จะรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว่าเวแต่ถ้าเราไม่มีความอยากจะออกไปนอกบ้านบ้านเรานี่แหละคือสวรรค์ที่แท้จริงอยู่บ้านนี้แสนจะสุขแสนจะสบายมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ไม่ต้องออกไปลินนลนกับคนที่อยู่ข้างนอกเวลาไปข้างนอกแต่ละครั้งนี้ ก็ต้องนั่งในรถติดรถกันเวลาจะไปทำอะไรก็มีคนเต็มไปหมดต้องแข่งแย่งกันอยู่บ้านสบายกว่ากับอยู่ไม่ได้เพราะความอยากออกนอกบ้านอยากไปหาความสุขนอกบ้านจึงทำให้อยู่ไม่ติดบ้านถ้าอยากจะอยู่ติดบ้านอยู่ติดที่ก็ต้องฝืนความอยากอย่างวันนี้ญาติโยมก็เอาเงินที่จะไป ซื้อหรือไปทําอะไรตามความอยาก <HHH> มา <t mod el> ทําบุญแทนทําแล้วจะได้ความอิ่มใจสุขใจบุญที่เกิดจากการเสียสละบุญที่เกิดจากการแบ่งปันบุญที่เกิดจากการมีความเมตตากรุณาการกระทําเหล่านี้เป็นการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ใจของพวกเรา อันนี้ก็คือการกระทำความดีการไม่ทำบาปก็จะทำให้ใจเราสบายเวลาเราทำบาสนี้ใจเราจะไม่สบายเช่นเราไปโกหกภรรยาหรือโกหกสามีเราจะไม่ค่อยสบายใจกลัวว่าเดี๋ยวเขาจับได้ขึ้นมาเราก็จะกลายเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ เขาจะไม่รักไม่ชอบเราเขาจะคอยหวาดระแวงกับการพูดของเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรจะทำบาปเพราะทำแล้วมันทำให้เราไม่สบายใจใจเราก็เหมือนร่างกายเวลาร่างกายไม่สบายก็ไม่ดีเวลาใจไม่สบายก็ไม่ดีเหมือนกันนะเวลาร่างกายไม่สบาย เราก็ไปหาหมอหายามารักษาเพื่อให้ร่างกายหายเป็นปกติจะได้ไม่ไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายใจของเราไม่สบายก็ต้องหาหมอเหมือนกันหมอก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เองท่านก็จะวิเคราะห์ดูว่าไม่สบายใจเพราะไปโกโหก หรือไปชอโกงหรือไปประพฤติผิดประเวณีก็ให้เลิกกระทำการกระทาเหล่านี้พอเราไม่กระทาแล้วใจของเราก็จะหายจากความไม่สบายใจนี่คือการสร้างความสุขสร้างความเจริญด้วยการไม่ทำบาด้วยการทำความดีและด้วยการชําระความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจกันเวลามีความอยากนี้ใจเราจากกระกวลกวายกระสับกระส่ายอยากได้อะไรนี้จะรู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับจะต้องรอให้รู้ผลก่อนว่าได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็สบายใจไปพักหนึ่ง ท้าไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจแต่จะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกก็จะเกิดความกังวลกังวลเกิดความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจตามมาอความอยากนี้จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่ฝืนไม่หยุดความอยากทุกครั้งที่เราทําตามความอยากเราก็จะต่ออายุของความอยาก ให้ยาวออกไปทำให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอถ้าไม่มีความอิ่มไม่มีความพอก็ไม่มีความสุขเพราะความอยากนี้เป็นความหิวความหิวนี้ไม่ใช่เป็นความสุขความสุขต้องเป็นความอิ่มความพอใจจะอิ่มได้นี้ใจต้องหยุดความอยาก วิธีหยุดความอยากพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทําอย่างสองวิธีแรกคืออยากจะเอาเงินไปทําตามความอยากก็เอาไปทําบุญแล้วก็อยากจะทําบาปก็อย่าไปทําบาปเฝื่นเสียแล้วความอยากก็จะน้อยลงไปเบาลงไปความอิ่มใจสุขใจก็มีเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่หมดถ้าอยากจะให้หมดนี้ ต้องหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจถ้าใจยังไม่หยุดความอยากมันก็จะไม่หยุดเราจึงต้องมาฝึกทำใจให้หยุดการหยุดใจนี้เราเรียกว่าการทำสมาธิหยุดใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเหมือนกับหยุดรถยนต์หยุดรถยนต์นี้เราต้องมีเบรกถึงจะหยุดได้ หยุดใจเราก็ต้องมีเบรกของใจเบรกของใจนี้เรียกว่าสติเราต้องมีสติเราถึงจะหยุดใจหยุดความคิดของเราได้และการที่จะมีสติได้เราก็ต้องสร้างขึ้นมาวิถีสร้างสติก็คือให้ใจของเราจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้คิดอยู่เรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปใจของเราก็จะหยุดคิดได้พอหยุดคิดแล้วความอยากต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวแล้วความสุขเต็มที่ก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆ ที่เราได้จากการกระทำความอยากเวลาเราทำตามความอยากเราได้ความสุขแต่ได้เดี๋ยวเดีย ว, ดยวได้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปหายไปแล้วก็เกิดความหิวปรากฏขึ้นมาใหม่แต่ความสงบนี้จะไม่เป็นแบบนั้นความสงบนี้จะทำให้เรารู้สึกอิ่มรู้สึกพอและจะอยู่ไปได้นานกว่า ความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากแต่พอเราออกจากความสงบมาใจของเราก็จะเริ่มคิดถ้าคิดไปในทางความอยากเราก็ต้องใช้ปัญญาคือความฉลาดของพระพุทธเจ้ามาสอนใจไม่ให้ไปทำตามความอยากให้ชี้ให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการเดินไปสู่ปัญหาต่างๆ เป็นการเดินไปสู่ความทุกข์ต่างๆเช่นอยากจะมีแฟนอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาพอมีแล้วจะต้องมีความทุกข์ตางมาทุกข์กับแฟนทุกข์กับลูกเพราะต่อไปพอมีแฟนแล้วก็ต้องมีลูกมีลูกก็ต้องเลี้ยงดูลูกคอยดูแลลูกคอยห่วงคอยกังวลกับลูกคอยทุกข์กับลูก แล้วถ้าไปเจอลูกไม่ดีก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เสียอีกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราปล่อยให้ใจของเราไปทาตามความอยากทุกสิ่งทุกอย่างเราได้มามันจะต้องทาให้ใจเราทุกเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดมันจะไม่เหมือนเดิมไปตลอดมันจะต้องมีการเปลี่ยนไป ได้แฟนมาใหม่ๆก็รักกันดีแต่พออยู่กันไปสักระยะหนึ่งการรักก็จะเริ่มค่อยๆจางหายไปความาไม่พอใจต่อกันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นการโกรธเกลียดกันไปนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราไปหลงคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา พระพุทธเจ้าส่งสอนว่าให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขนาดไหนจะวิเศษขนาดไหนมันก็ไม่มันไม่สม่ำเสมอมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเวลามันเปลี่ยนมันเสื่อมมันหมดไปความสุขที่เราได้จากมันก็จะหายไป แล้วสิ่งที่จะได้มาแทนที่ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเช่นได้แฟนมาใหม่ๆก็เป็นเหมือนเทวดาพออยู่ไปนานๆกลายเป็นปีศาจไปตอนต้นคิดว่าจะไปอยู่กับเทวดาทำไปทำมาอ้าวทไมกลายเป็นปีศาจกลายเป็นผีไปแล้วก็เพราะว่าคนเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เราพยายามมอง เ็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเราถ้าเห็นว่ามันจะต้องเปลี่ยนจากดีกลายเป็นไม่ดีเราก็จะได้ถอยหลังเราจะได้หยุดความอยากอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับการทำใจให้สงบดีกว่าเพราะการทำใจให้สงบนี้เป็นความสุขเลิศที่สุด และเป็นความสุขที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้จักสร้างมันขึ้นมาแล้วเราจะสามารถสร้างให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ค้นพบและได้มาเป็นสมบัติครอบครองและจะอยู่คู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปเสื่อมไปความสุขที่เราได้ก็จะเสื่อมจะหมดไปตามความเสื่อมตามความตายของร่างกายเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าละปพยายามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าคือละการกระทํบาปทั้งปวงสร้างกุศลความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม และชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศล